คนแรกเลยที่ถูกกลับใจนะคือคนคือตัวเราเองนี่นี่ถ้าเราเข้าใจธรรมะซึ่งมันถึงพร้อมด้วยเหตุด้วยผลแล้วนะพิสูจน์ได้ทุกขั้นทุกตอนไม่ใช่ธรรมะฟลุกฟกไม่ใช่ของฟลุกฟุ ก, ฟกว่ทําำไปเหอะเดี๋ยวก็แจ้งเชื่อเ ช, ชื่อไปเหอะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านบอกสมบูรณ์ด้วยอัตถะคือเนื้อหาและพยัญชนะนะคือถ้อยคำ น, นั่นเอง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 ฟังแล้วจะรู้เลยธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเต็มไปด้วยเหตุผลเหตุผลของธรรมะเรียกว่าปัจจยากาลเรียกอิทับปัจจยาตาบ้างนั้นท่านพุทธทาสเรียกหลายอย่าง เ, เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีเนี่ยทำไมท่านสอนให้รู้ทุกถ้าไม่รู้ทุกจะเกิดสมูทยัยถ้ามีสมูทยัยจิตจะมีความทุกขเนีย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 ธรรมะของพระองค์เลยง่ายๆอัศจรรย์ตรงนี้แหละเหมือนเปิดของคว่ำให้ไงนี่ของคว่ำเปิดให้ไงนี่ต้องเปิดให้ดังๆจะได้แก้ง่วงนะไม่ยากนะเหมือนคนจุดไฟขึ้นมานะหวังว่าคนที่มีตาดีๆจะมองเห็นไม่ยากอะไรนะอย่างเราอยู่ในห้องมืดนะพระพุทธเจ้าท่านจุดไฟขึ้นมาสว่างมันก็มองเห็น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 เนี่ยเป็นพระอย่างนี้แหละแต่วันหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยมีเมียได้ด้วยนะทอะไรต่ออะไรเยอะแยะคิดเอานะได้แต่ไม่ใช่ของจริงนะหรือชมพูคิดว่าเนี่ยอายุป่านนี้แต่งงานแล้วเนี่ยแต่วันหนึ่งเราจะเป็นนางงามจักรวาลอย่างเงี้ยคิดได้ไหมคิดได้แต่ไม่จริงเนะี่ความคิดกับความจริงนะคนละเรื่องกัน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 ข้อหมายถัดไปนะั้นจึงจะปล่อยวางขันขนะ้อหมายแรกเห็นก่อนมันไม่ใช่เราถ้ามันยังเป็นเรามันไม่ปล่อยหรอกนะนั้นอยู่ๆจะเป็นพระละหาันไม่ได้นะอยู่ๆก็ต้องเป็นพระโสดา บ, บันก่อนเห็นก่อนไม่ใช่เร า, นะาไม่ใช่เราแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ของดีของวิเศษนะเป็นตัวทุกข์ก็ถึงจะยอมปล่อยเนะี่ยค่อยๆเรียนนะงั้นจุดแรกเลยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าใจลอย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 รูรู้สึกตัวไม่ไม่ค่อยชัดแล้วครับ อ, อยากชัดไห ม, ไมก็มีเสียงมาเตือนว่าอย่าอยากชัดยังดีนาะเสียงหลวงพ่ อ, อยังดีบางทีเสียงคนอื่นนะมันน่ากลัวมากเลยเสียงซึ่งไม่เคยได้ยิน <laughs> มีเรื่อยๆนะที่วัดเนี้ยมันไม่ตั้งมัน่นใช่ไหมครับไม่ตั้งมัน่น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 ก็จะเห็นทุกอย่างไม่ใช่เราสักอันเดียวเหลือสี่นาทีอ้าวใครจะยกมือนี่หนุ่ยหนุ่ยยกมือก่อนทีมนี้เขามีป้ายตัวใหญ่ๆถ้านั่งข้างหลังติดป้ายที่หน้าอกก็ไม่มีประโยชน์ต้องทำด้ามมาต่อด้วยอ้าว่าไปนมสดกการของหลวงพ่อช่วงหลังๆรู้สึกแบบจิตมันชมอยู่กับความคิดตลอดเลยค่ะผุดๆุดโพโผล่ค่ะ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 โมหามันเกิดเราเห็นทันซะแล้วแต่ถ้ามันยังมีเพีเรียดมีระยะเวลานะแหมดาววันนี้นะนี่หนะละราคะโทสะมีเวลาเกิดหลวงพ่อคะแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าหนึ่งอาทีค่ะให้ดูว่ามันหลงไปกี่ทีค่ะเออได้เท่าไหร่จริงๆไม่รู้ดูเป็นหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อสอนหน่อยดิคะ่ะอะล้วได้เท่าไหร่ล่ะ ด, ดไูไม่ไน่ใจอะคะ่ะว่าดูเป็นหรือเปล่าณขณะนี้นนกำลังหลงอยู่รู้สึกไหมเออ เี่ยหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมจะไปสังเกตมันว่าหลงยังไงเนี่ก็หลงซ้ําซ้อนเนี่ยไปอีกหลงนึ่งลวรู้สึกไหมเนี่ยไปอีกหลงหนึ่งล้วเห็นไหมจิตมันทํางานขึ้นแต่ละคราวแต่ละคราวเนี่นะมันจะมีโมหะประกอบอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเรารู้ไม่ทั น, นตอนเนี้ไปบังคับไว้ก็หลงไปอีกแบบหลงบังคับเนี่ยตรงนี้ใช้ได้ตรงที่คาแต่เกียรรู้สึกไหมไม่ได้ทําอะไรแต่รู้สึกขึ้นไหม